เชื่ส่งกันว่ามีแนวทางที่ดีทุกตัวเลยค่ะถ้าไ่บอกความรู้ตงนี้รู้ไปแล้สมอย่างที่บอกแล้วก็รู้ก็เห็นชัดว่าถือไปทิ้งถือไปแค้นที่เรียนภาษาที่เรียน ก็มาทำสําหรับคนคนหนึ่งในท้องการมากกว่าเห็นสภาวะผู้ใดผู้อยู่แจําแจ้งแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดการเรียนศาสนาพูดไเหมือนการเรียนแบบกลุ่มตัวอย่างเหมือนเงานวิจัยเลยถึงที่ว่าทำมาวิจัยเรียนงารวิจัยเราไม่ได้เรียนรูปทั้งหมดแต่เราเรียนกายในกายคือรู้กายบางอย่างถ้ารู้กายบางอย่างจะรู้ทั้งหมดเรียนเวทนาบางอย่างแล้วรู้แล้วจะรู้ทั้งหมด เรียนจิตบางอย่างรู้แล้วก็จะรู้ทั้งหมดเพราะง้นการที่จูนเห็นว่ามีเถือไปเท่งไปเรารู้สึกเรียนอยู่กลุ่นี้ก็ได้ก็ใช้ได้แล้วคนเห็นโทสะเจ้าโทสะโทสะเกิดบ่อยดูเป็นผู้เดียวก็พอจิตมีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะก็จิตทั้งหวันก็นอยู่แค่นั้นมีสองน่ะคนไหนโลภะเกิดบ่อยก็ดูจิตที่มีโลภะกับจิตไม่มีโลภะ คนส่วนใหญ่ยัหลงบอเ่าเกคือว่าขณที่เนดีลมายจแวก่มนจะีงที่เดตัวทีย่ิ่นวข้นมัดลก็่น่ที่รู้่ี้ีดเดียวที่รู้มีนิดเดีย ว, ย ว, ย ว, ย ว, ยวชุ่วขณะเนทะ่านั้นเพราะมันแค่พฤติกาสมาธิตั้งขึ้นชั่วขณะ ทุกการรบับรู้งและคือเาะตร้เหมือนกับว่ารู้รนะู้เป็นปายาการรู้และทีมันก็อเอปุก็ต้องฝึกจับข้างในฝึการู้อยู่ภายใ น, งงนก็นงงนนจ่อจที่จะมสภาวะตับเกิ็จดับทามมโนสวานันเดียวแต่ฝึกไม่ใช่เพ่จะอยู่ตรงนี้หรอกฝึกไปเพื่อให้จำสภาวะได้แม่นเสร็จแล้วก็จะต้องออกมาอยู่กับโลก ธรรมะจะไม่หนีโลกนะชีวิตของเราอยู่ที่ไหนไต้องปฏิบัติที่นั่นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องไปอยู่ตามวัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ตอนเข้าฟอสธรรมะเกิดขึ้นเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเิื่อได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจใคิดธรรมะเกิดตอนนี้นั่งอยู่ขับรถอยู่โดนเขาปาดหน้าโมโ oh หรั่วโมโ oh ห ความโกรธก็เป็นธรรมะหนึง่งความโกรธลุดขึ้นมาก็สอนธรรมะเราอีกสอนความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้ขับรถเจอแต่ไฟเขียวเนี่ยมันมีความสุขความสุขฝุดขึ้นมาก็เป็นธรรมะสอนเราอีกธรรมะ น, นี้เกิด ข, ขึ้นมาแล้วก็ดับไปวันนี้เจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดนะความหงุดหงิดก็เป็นธรรมะธรรมะทั้งหมดเลยเกิดทั้งวัน เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นใจโด ย, ยเฉพาะเกิดทางใจเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นใจไม่มีกุศลหรืออกุศลอะไรเกิดที่ใจเกิดกุศลแล้วอกุศลที่ใจกิเลสก็เกิดที่ใจนะปัญญาก็เกิดที่ใจแต่ทั้งวิมุตต์ก็เกิดที่ใจมากผลเนี่ยปฏิบัติเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยไม่ต้องอ้อมค้อมหรือเวลา ใช่แต่ว่าเ่อนารสาวราจะตมีาน้ีมีนมัน้ิองมเนสติสติต้องเกิดเองสติที่สร้างให้เกิดมันไม่ใช่ของจริงเป็นสติปลอมแล้วเราฝึกจำสภาวะได้แล้วเราไปสติเกิดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้จงใจนะ สังเกตไหมว่าพอสติเปิดจริงๆใจนี้จะโล่งใจจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาสว่างในขณะเดียวนั้นเลยนักปฏิบัติจํานวนมากเลยไม่ได้เรียนหลักสูตรของพระพุทธเจ้าให้ครบหลักสูตรของพระพุธเจ้าเรียกว่าใรสิกขาหลักสูตรของท่านเรียกว่าใรสิกขาศีละสิกขาจิตจสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเรียนไม่ครบจะมีปัญหาโดยเฉพาะจิตจสิกขา พวกเราละเลยนักปฏิบัติจํำนวนมากละเลยบางคนคิดว่า ก, การหัดเข้าฌานนี่เป็จิตตะติขานั่งสมาธิรูปเดียวเลยบอกว่าทําจิตตะติขาไม่ต้นงทาจิตให้สงบนัะน่ะบางคนละเลยจิตตะติขาไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องจิตอยู่อยู่ก็ไปเจริญปัญญาเลยไปกําหนดรูปกําหนดนามอะไรนี่ไปรู้รูปนามมันท่นานการเจริญปัญญา ก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสี่ระศึกษาจิตระศึกษาก่อนถ้าเราไม่รู้จักจิตที่ถูกต้องแล้วเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเอาไว้ทํำมิปัสนาจิตชนิดไหนไว้ทําสมถะจิตชนิดไหนเป็นกูศลชนิดไหนเป็นอกูศนเรามักจะพยายามเอาอกูตระจิตเนี่ยไปเจริญมิปัสนาหรืออย่างเก่งที่สุดก็เอาจิตที่ควรทํำสมถะไปทํำมิปัสนาเพเจ่งเพ่งรูปเพ่งนาม เพ่งกายเพ่งใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเรียนสองหลักสูตรแรกก่อนศีลศึกษาไม่ใช่เรื่องไป็ขอตีนจากล้านะศีลศึกษาคือเราต้องเรียนอจิตยังไงเป็นจิตที่ปกติจิตยังไงจิตธรรมดาจิตยังไงจิตซื่อใสเหมือนจิตของเด็กจิตซื่อพร้อมจะเรียนรู้เด็กเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เยอะกว่าผู้ใหญ่ จิตมันซื่ อ, อจิตที่มันไม่ซื่อเพราะว่ามันถูกกิเลสครอบงำนั้นเราต้องมีสติรู้ทันจิตเราไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ในใจไปรู้ันรู้ไปกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตจะมีสีนนมัตส์สีตัวนี้เรียกว่าอ er ินทรียสังวรสีไม่ใช่สีเด็กครอบไปขอสีห้าสีแปดสีสิบนั่นแหลสีจักทางจริยธรรม ศีล ส, สำหรับนักปฏิบัติชื่ออินเซียสังวรศีพระเจ้าท่านบอกว่าพิกษุนทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตไม่มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตจิตจะไม่มีศีลนะจิตจะผิดปกติประตู ก, กิเลสครอบงําท่านสอนออกชัดพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปท่านไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายอย่าเห็นรูป ทนบอกพิสูจทั้งหลายเมืม่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตท่านไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปกําหนดอยาให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตไม่ห้ามไม่ห้ามแปลว่าให้มีสติรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันรูปหรือหรือรู้ทันตาไม่ใช่ รู้ทันก so so so so so so ิเลสที่เกิดจากการเห็นนั่นเองที่สูทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดีร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงาจิตที่สูทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมใจรู้อะไรก็ได้ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงา ไม่ได้บอกที่สูตทั้งหลายอยากกระทบขัดสะจที่สูทั้งหลายกระทบขัดสัแล้วก็กําหนดไว้อยากให้ยินดียินร้ายที่สูตรทั้งหลายเมื่อยินดียินร้ายให้หาทางละเสียไม่ได้สอนอย่างนี้เลยสักคำเดียวแต่พวกเราชอบทำทาเกินที่ท่านสอนยกตัวอย่างนะสมมติเราอยู่ๆมีคนมนด า, าดา่าเราถูกเขาด่าไม่ต้องไปกําหนดว่าได้ยินได้ยินอะไรอย่างนี้นะกําหนดไปเดี๋ยวไม่เกิดกิเลส มันเกินที่พระเจ้าบอกท่านไม่ได้บอกพิสูจนทั้งหลายเมื่อถูกด่าให้กําหนดไว้ไม่ได้สอนนะเพุาถูกเขด่าเนี่ยความยินร้ายเกิดขึ้นโทสะเกิดให้รู้ทันให้รู้ทันโทสะนี้ถ้ารู้ไม่ทันกิเลสเกครอบงาําช่นถูกดา่าปุ๊บโกรธปั๊บชกเรี่ยงเลยศีลข้างนอกศีลทางจริยธรรมขาดทันทีเลยแต่ถ้ามีสติละ่ะถูกด่าปุ๊บโทสะพุ่งขึ้นมาเห็นโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับทันทีนะ สติตัวจริงเกิดกิเลสจะต้องดับทันทีนะพวกเราไม่ใช่ดูไปกิเลส ก, ก็คาอยู่สติก็คาอยู่มันเกิดร่วมกันไม่ได้แร้วสติตัวปลอมหรอกถึงจะมีอย่างนั้นสติตัวจริงกิเลสจะต้องดับบักทันทีเลยเฉะนั้นพอจิตมันเห็นโทรศัท์สู้ขึ้นแลโทรศัพทจะดับโทรศัพท์ครอบงาจิตไม่ได้แนละ้วไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาสีภายนอกเกิดขึ้นแนละ้วเดิ น, ดนไปเห็นคนเขาทำกระเปาสตางค์ลน ใจมันอยากได้รู้ว่าอยากได้ไม่ใช่ไปกําหนดให้หายอยากนะรู้ว่าอยากได้ความอยากก็จะสแสดงไตรักษณ์ให้ดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ดูงั้นเราเรียนเพื่อให้เห็นของจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเข้าไปจัดการมันถ้าเราจัดการเก่งนะสมมติว่าโปรดขึ้นมาก็พุทโธพุทโธโลค ก, ก็มาพุทโธหพุทโย ก, ก็พุทโธเนอโลค ก, ก็พุทโธเน อ, กกนอในสุดไม่โลคไม่โกรดเลยเรารู้สึกว่ากูเก่งกรูเก่งที่ส กลายเป็นเพิ่มอัตตาขึ้นมานะรู้สึกเราบังคับได้เราจัดการได้แม้ทั้งที่ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเราทําอะไรไม่ได้แต่หาเรียนจนเห็นว่าเราทําอะไรมันไม่ได้แล้วมันปล่อยวางแล้วค้นทุกข์เพาปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เข้าไปจัดการมันได้ต้องตั้งหลักให้ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อตาหูจมูกนิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้กระทบไปตามธรรมดากระทบแล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกไว้อย่ากําหนดไว้ ให้เกิดความรู้สึกตามธรรมดาและมีสติรู้ทันอาจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายที่ฝุดขึ้นมาร่วนจะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นภูมิความรู้ของพระโสดาบันอยู่ตรงนี้ต่างหาไม่ได้อยู่ที่บังคับจิตจนไม่มีกิเลสนะแตอยู่จงตรงที่ว่าเห็นว่าจิตที่เป็นกูศนเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอาภูสนเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับความรู้สึกทั้งหลายเวทนาสัญญาฐางฐานทั้งหลายเกิดแล้วดับ รูปทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเช่นรูปยืนเกิดแล้วก็ดับรูปนั่งรูปนอนเกิดแล้วก็ดับรูปคล้องรูปยุบเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ไปเพ่งเงี่ยปวเรื่องเลยนะไม่ใช่ไปเพ่งเพื่อไม่ให้มีกิเลสนะเข้าใจผิดแล้วกิเลสก็เป็นธรรมะอย่าปฏิเสธกิเลสกิเลสเป็นธรรมะชื่อว่าอกุศลธรรมอกุศลเป็นธรรมะชื่อปุสโสธรรมเสมอภาคกันนะ ถ้าเรารักกุศลเกลียดอาคุศลเราก็ยังไม่จบหรอกได้แต่เป็นคนดีเป็นกีวดาเป็นปลมุมเรื่องการที่เราฝึกจนเกิดสติที่จูนเรียนจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเกิดขึ้นพวกเราที่เรียนเดี๋ยวนี้มีหลายร้อยคนแล้วนะที่มารายงานหลวงพ่อบอกไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเห็นตลอดเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวเห็นคนทําได้เยอะยะ เป็นไปอย่างนี้มันมปัญญาแจ้งขึ้นก็ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราได้เฉโสดาบันถัดจากนั้นรู้ ก, กายรู้ใจต่อไปอีกคืกระทั่งมันปล่อยวางความยึดถือกายได้จะได้ข้านหนัคามมันปล่อยวางความยึดถือจิตก็หมดภูรัาศาสนาพุทธวางขันได้หมดนะนี่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาสตินะไม่ใช่เพื่อเอาสุขไม่ใช่เพื่อเอาดีแต่ถ้าสติ หรือความรู้สึกตัวก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอามันแต่ว่าต้องมีสติเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักว่าขาดสติเป็นยังไงคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกคนในโลกนี้หลงตลอดวันตลอดคืนตื่นขึ้นแต่ตัวแต่ใจหลับใจฝันไม่มีคนตื่นเลยจริงๆอะฝันนั่งฝันทั้งวันนะคือคิดไปเรื่อยๆใจหลงอยู่ในโลกของสมมุติบัรจัตรตลอดเวลาคนที่หลุดออกจากโลกของสมมุติบรรจัตนี้นับตัวได้ น, น้อยเต็มที ถ้ไม่ศึกษาธรรมที่ผู้เจ้าสอนให้ของแท้รู้ว่าสติเกิดเพราอะไรแล้วก็ไม่ตื่นหลอถ้ารู้ว่าสติเกเกิดก็จิตจําสภาวะได้แล้วหัดรู้สภาวะรู้กายเนืองเนืองรู้เวทนาเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนึองจะจำสภาวะได้สติจะเกิดขึ้นเองนี่สติปัฏฐานทําให้เกิดสตินะเบื้องต้นสติปัฏฐานทําให้มีสติรู้เนืองเนืองมีสติจะมีสติไม่ใช่เพื่อเอาสติคนในโลกที่หลงตั้งแต่ ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วไปเกิดอีกก็หลงอีกเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จะไม่รู้ตัวว่ากําลังหลงอยู่เพราะมันหลงอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าหลงเป็นยังงัยยกตัวอย่า ง, างสมมติคนทั้งห้องรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะสมมติพวกเราทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อที่ชั่วเท่ากันเชื่อไว้ในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วเลยจะมีคนดีเท่ากันหมดเลยก็อะไรก็ไม่มีการเปรียบเทียบขึ้นมาถ้าทุกคนหลง เกิดมาก็หลงหลงมาตลอดชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าเราหลงอยู่ไปชี้หน้าหลวงพ่อไป เ, เจอในทีมคุยค้อย ย, ายมาหาหลวงพ่อครั้งแรกนะมีอยู่คนหนึ่งหลวงพ่อมาเอารู้สึกตัวเข้าไว้สบัดหน้าพึึบเลยโมโหนะด <c oughs> ิฉันไม่เคยขาดสติเลยก็เออเก่ไม่เจอพระอรหรันต์ก็แล้วไม่เคยขาดสตินะ กาไรก็ไม่รู้จักความรู้สึกตัวก็จะไม่รู้จักความหลงเพะนั้นที่เราหัดว่าให้รู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะเอาถ้าเราความรู้สึกตัวอย่างมากที่สุดไปปลอมมาโลกอย่างกลางๆก็เป็นเทวดาอย่างธรรมดานี่เป็นคนที่ดีแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่รู้สึกตัวเราจะเห็นเลยจิตเมื่อกี้หลงแปกตอนนี้รู้สึกพอรู้สึกปั๊บมันจะรู้ว่าเมื่อกี้หลง แดีวความรู้สึกตัวก็จะอยู่ได้แว บ, บเดียวไม่ใช่เอาให้นานนะหลวงพ่อไม่เคยบอกให้รู้สึกตัวต่อเนื่องยาวนานคำว่าต่อเนื่องขัดกับคําว่าอนิจจังเลยไม่ได้ให้เรียนอะไรที่ผิดธรรมดาเรียนของธรรมดาดูของธรรมดานี่เดี๋ยวความรู้สึกตัวเกิดได้แว บ, บเดียวก็จะดับมาดับแล้วก็มีสองช้อยให้เลือกอันนึ่งหลงใหม่คือหลงไปในโลกของความคิดกลับไปหาอารมณ์บัญญัติอีกสองเพ่งไว้นักปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าเหลือปุ๊บจะเพ่งปั๊บเลยเพ่งไว้เลย ถ้าเราเรามีสภาวะหลายหลายอย่างเราจะรู้เตรงที่เปลอกห้ามมันไม่ได้ตรงที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้ความหลงความเปลอเป็นตัวแทนของอาคุโสรจิตความรู้สึกตัวเป็นตัวแทนของคู่โสรจิตทั้งกุศโและอาุโสล้วนแต่เกิดและก็ดับล้วนแต่บังคับไม่ได้เสมอภาคกันเนี่ยอย่างนี้นะเห็นซ้ําๆจิตจึงยังล่ยความยึดถือออกไปได้ ถ้ายังเห็นว่าจิตนี้มีดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้า ง, างแล้วเลือกได้นะเราก็เลือกเอาสุขเลือกเอาดีเราเนี่ยนึกว่าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เข้าใจเลยอริยสัจมัน เ, เข้าใจยากอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ถามว่าพวกเราเห็นไหมขันห้าเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่า ique, วกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกบ้างสุขบ้างรู้สึสกไหม สาบใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างจิตมันจะเอาสุขมันจะหนีทุกข์ดิ้นไม่เลิกหรอกแต่ถ้าวันใดปัญญาแจ้งจิบแต่งแจบแจ้งเต็มที่เลกายนี้ทุกข์ล้วนล้วนจิตนี้ทุกข์ล้วนลวนมีแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนนี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์อย่างนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตได้ ต้ายางเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยหรอกแต่จะเอาสุขจะเอาดีเป็นการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเห็นโอ้เหลือก็ห้ามไม่ได้รู้สึกตัวก็เอาไว้ไม่ได้เห็นเลยทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์จะเห็นทุกอย่างนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเอ้าเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลือกก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้นี่อย่างนี้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้ากําหนดแล้ว กำหนดมัเหมือนคุมได้นะปวดขึ้นมาปวดเน่าปวดเน่าไม่ปวดละโลภขึ้นมาโลภเน่าโลภเน่าไม่โลภละแก่แก่ไปแนะทีิเก่งมงังกรไม่มีกิเลสเลยตลอดชีวิตไม่มีกิเลสนึกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงจะหลงลึกๆจะรู้สึกจิตเป็นหัตตาแล้วฟังคำได้คำได้เนั้นอยากเห็นของบังับไม่ได้ดูของจริงรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นจอดแล้วจะรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลงอยู่ รู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่าหลงไปไม่ใช่เพื่อเอาความรู้สึกตัวแต่เพื่อจะเห็นว่าหลงไปก็ห้ามไม่ได้ไล่ก็ไม่ไปรู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้หรือความตุกความทุกข์ที่เกิดตามหลังมาก็เลือกไม่ได้กุศลน่ะกุศลที่เกิดตามหลังความหลงมาก็เลือกไม่ได้มีแต่ของเลือกไม่ได้ของบงังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้นะ่าใจถึงจะวาง จิตที่ปล่อยวางเข้าถึงมรรคผลนิพพานนี่เข้าถึงมรรผลนิพพานต่อหน้าต่อตานี้จิตได้เสบยความสุขของการสัมผัสกับนิพพานเต็มเปี่ยมเลยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆนิพพานไม่ใช่อยู่ตรงที่หมดความรู้สึกไปถ้านิพพานหมดความรู้สึกแล้วบอกว่านิพพานพวกโดนวางยาสลบก็คือ น, นิพพานหมดะเราอย่าไปลดคุณค่ า, าศาสนาพูอย่างนไงเราสามารถมีความสุขอยู่ในขณะจิตนี้ได้เลย เลยที่จิตไม่ได้เกาะอะไรค่อยๆเรียนนะเรเรียนนจะไรู้ว่า่ลี่ <c ười> ม่ใช่ที่เรานคเได้ัตูไม่ใช่ที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะได้รู้ออเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพเดี๋ยวรู้สึกเนี่ยว yr, เวียนไปเรื่อยๆมีแต่ความไม่เที่ยงสภาวะเผลอ การเพ่งการรู้สึกตัวเสมอภาคกันคือแสดงไตรลักษณ์เข้ากันอตันนี้น ต, ต้องให้สติเกิดขึ้นเองต้องให้สติเกิดขึ้นเองเพราะสติไม่ได้เกิดจากกําหนดไม่ได้เกิดจากการสั่งบางคนไปเดินจงกรมนะหลงพ่อเคยเจอเดินจะแทกแรงๆกระแทกเท้าถามว่าทําไปทไําไมก็เพื่อจะให้สติเกิดถามว่าอยากให้สติเกิดรู้ไหมอยากครับอยากนั่นแหละโลภะ อกุศลกำลังเกิด น, นะสติไม่เกิดดอกโยมใส่แว่นตาถูกไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่อัตา ม, มาแต่ น, นะคอยดูนะคอยรู้ทันไม่ห้ามเราเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูเพื่อให้เห็นว่ามันคองเปลียนแปลไม่ใช่ดูเพื่อเข้าไปจัดการกันตั้งหลักให้ถูกนะการปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างเก่งที่จดทําแค่สมัถะ การเห็นตามความเป็นจริงยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้อย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตที่ตื่นขึ้นมานี่ถ้าเรียนเรื่องจิตศิลป์คาแล้วจะทราบจิตที่รู้สึกตัวมีสติเป็นกุศลเนี่ยจะมีองค์ประกอบจำเนินมากเลยมีฮิริโอสัปะไม่มีธรรมดาแล้วมีอยู่แล้วมันจะมีความไม่โลภไม่โกรธเกิดขึ้นมันจะมีความเบา ย, รยัรู้สึกไหมจิตมั น, ม น, นเบ า, า, นนารู้สึกไหมจิตนุ่มนวลเบาคือรับผูตานุ่มนวลคือมูตุตารู้สึกไหมจิตเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีแต่เกิดดับแน่ตาคุณตาความคล่องแก้วเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติสร้างขึ้นมานะั้นคืออกักขุศลนะบางคนอาจจะตกใจนะปฏิบัติแล้วอักขุสนเกิดอักขุสนมีลักษณะอย่างไงจิตที่เป็นอกักขุศนอันแรกเลยมันหนักนะมันไม่เบา พอลงมือกำหนดปุ๊หนักปั๊บเนี่ยจิตโยงนั้นเป็นอาคุณสรจิตจิตที่เป็นมหาคุณสรจิตต้องมีราศีตาเบาโยมใจลอยอีกแล้วทราบไหมให้รู้สังเกตไห้ใจลอยห้ามมันไม่ได้แต่พอเรารู้จักสภาวะออกมัาเราจะตื่นได้แต่ตื่นได้แวบเดียวตอนนี้ใจลอยอีกแล้วทราบไหมดูเพื่อให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูเพื่อบังคับนะทำไม่เงินถ้าเราไปบังคับให้นิ่งแล้วปัญญาจะไปอยู่ที่ไหน ปัญญาอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงนี้ะเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมดูอย่างนี้นะดูโลกปัจจุบันแะต่ง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วถ้าเข้าใจหลักที่พระเจ้าสอนและการปฏิบัตินี่ราบรื่นมไม่เหนื่อยมีแต่ความสุขนะมีสุขตั้งแต่สติเกิดแล้วพอสติเกิดจิตก็แช่มชื่นเบิกบานรู้สึกไหมคุณแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาสติไม่เกิดแล้วใจก็แข็งแข็งชื้นชื้หนักหนักแน่นแน่นตึมตึม หลายคนปฏิบัติจนซึมเลยนะซึมถาวรแก้ไม่ตกเลยบางคนหลวงพ่อมานั่งแก้ตั้งสี่ห้าปีไฝกระเทืองกะเทืองขึ้นมาบงคับมันมากไปใจลอยติดแล้วทราบไหมดีหัดดูรู้สึกไหมจิตใปของบังคับไม่ได้ทำงานตลอดนั่นแหละจืตต่ำว่าไม่เทียง รู้สไหมบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดผูกบุนแต่เนี่ยตกระวังแปบหนึ่งรู้สึกไหมมันเบือหายไปนิดอย่าจงใจตอนที่จงใจมากไปละนะโลภเกิดเนี่ยจิตมีโลภนะลองไปดูตะกี้จงใจไปดูเอออยากถามไม่ถาม แลก็จะสังเกตกาีแล้วก็ที่เวลไปเว่ากครั้งเป็นอีกครง่งกจะเ็อากรที่่องู้ต่างกัานกันกันกันกันกันกันกันกันกกันกันกันกันกันก ไม่ด้อไม่เท่นไม่ดื่ใช่น่ะท่งท่อใใช่แล้วก็จะจับงได้าวต่กหงอาที่ใจมันจะามันไม่มีทาจด้เลยแล้วใหจเ่ที่ีรใช่มตีตรงที่มีอยู่รู้สึกไมพอมีสติขึ้นมาบางทีมีความสุขเฉยขึ้นมาโสมนัตเกิดถ้าไม่โสมนัตเกิดถ้าจิตเราเป็นมหาภูตของได้จิต มหังคุรโสดจิตมีเวทนาสองอย่างฉะนั้นสมณะจะอุบเบกขาแต่อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาทื่อๆนะอุเบกขาแบบชื่นอกชื่นใจเนี่ยมันสั้งปิติก็เกิดทำไมปีติเกิดก็มีทำมาวิจัยมีความเพียรความเพียรนี่หมาถึงสติมันเกิดบ่อยมันไม่ใช่เราจงใจไปเพียร น, นะสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเกิดจากสติทันทีที่สติเกิดอากุสดับทันที อันที่ที่สติเกิดกูโซนเกิดอันทีเนี่คือตัวสัมมาวยามะเพรอมันซ้ำๆนะปี่ติเกิดพอปีติเกิดเป็นเกิดแล้วพอเราเห็นตัวปีติสัตย์ที่เกิดมันจะระงับลงไปโดยที่เราไม่ได้ไปแตะมันเลยนะละใจที่จะตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวละใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามทั้งสิ่งภายในทั้งสิ่งภายนอกไหลมาไหลไปใจเรารู้อย่างเป็นกลางรู้อย่างแช่มชื่น <integrity> นั่นคือุเบกขาถ้ฝึกไปจนกรท่่นใจเราชำนิชำนาญเราจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายโดนนยไม่เข้าไปแทกแทกถึงจุดหนึ่งอริยามรรคเกิดคืนดีนะฝึกได้ดีนเราไปดูไปด้วยเขาสอนธรรมะเราณนเะยปเกียรติเขา ครูของเราบางคนหน้าตาดุนะบ า, บางคนหน้าตาใจดีหครูบางคนเกลียวกว้ยกล่อมดุจันบางคนก็โอ้ตุภาพนุ่มนวลครูสนและครูสนเป็นครูเรานะอย่าไปเกลียดมันดีฝึกได้ดีดีใจด้วยนะคุณเบอร์เบอร์แปดชุไหมใจลอยไปใจมันหนีไปเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อย ของโยมติดาจบรงคับอยู่นิดอยู่ขณะจิตเนี้ยมันยังควบคุมตัวเองค่อยๆดูสภาวะนะัรู้รู้ทันตัวเองถัดดูสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันคุณที่ว่าทำกับข้าวแล้วดูวเมื่อกี้นี้ทำอะไรหลงนะยมนึกออกหปอยังว่าหลงสารพัดหลงหลงดูหลงฟังหลงคิดกระทั่งปฏิบัติก็หลงปฏิบัติ ตรงที่เราไปกำหนดนนแหละลงปฏิบัติวนะิโลพาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการกำหนดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนนะใจลอยแวบหบนึ่งทราบไหมตรงนี้ดีนะเขาแสดงเกิดดับที่ดูเห็นไหมจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมันขันนะึงอีกแว้บหนึ่งนะสึกไหมเร็วเราต้องมีสติฝึก น, นะเพรสติเราเร็วทันสภาวะ ไม่ใช่เป็นหน่วงสภาวะให้ช้าๆเพื่อให้สติที่ช้าๆตามทันถึงเราจะแกล้งเดินเก้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวีเดชเกินไม่ยอมหยุดยั้งเลยดันั้นต้องรู้ทันฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หลวงอารมณ์ให้ช้าลงเจ็บ ใ, ใจไป อ, อีกแล้วทราบไหมเออจริง น, นะตาย อ, อีกแล้วทราบไหมบังคับแล้วทราบไหมแข่งชื่อขึ้นมาดูออแล้วใช่ไหมมันจะมีสามกลุ่มหลักๆอันหนึ่งเสือไป หนึ่งรู้สึกตัวหนึ่งบังคั บ, บนเนี่ยวนอยู่อย่างนี้สามันเห็นแค่นี้ก็พอแล้ววันวันหนึ่งนะดูอย่างนี้เนี่ไปแล้วทราบไหมแต่ไม่บังคับนะไม่ใช่กลัวไปนะไปก็ได้ถ้าไปแล้วเป็นอาคุณสนเรายะได้เอาไว้เรียนรู้จะไปอีกแล้วทราบไหมดีแล้วสึกเลยหลงพ่อไล่มากไปก็จะวุ่นวายนิดนึงเรางพ่อทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะ เด็กกลับบ้านก็แล้วจะได้ดูได้ชมนิชมานมากขึ้นมากขึ้นรู้จักสภาวะเยอะมีคนมาถามหลวงพ่อนะแต่ก่อนพุ่เด็กวัยรุ่นถามหลวงพ่ อ, อจะใช้ผมจะใช้อารมณ์นอกสติปัฏฐานได้ไหมเนี่ยพยายามจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะบอกแล้วจะใช้อะไรอะ่ะทุกครั้งที่ฟาร้องผมจะรู้สึกตัวบกไม่ได้ปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้งเก่งไม่อารมณ์ในสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาเกิดตลอดเวลาเช่นหายใจเข้ากับหายใจออกมีทุ้งวันเลยยืนเดินนั่งนอนเกิดทั้งวันกู้เหยียดเหยวซ้ายแรงขวาเกิดตลอดเวลาหรือสุขทุกข์กุศลน่ะกุศลอะไรนี่เกิดตลอดเวลาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแค่ความเผลอความไม่เผลอเผลอไปกับรู้สึกเผลอไปกับรู้สึกก็แค่นี้ก็เกิดทั้งวันวะถ้าเป็นนักปฏิบัติทีจะเติมเท่งเขก็อีกตัว เผลอไปรู้สึกปุ๊บเพ้นปับ๊บเผลอไปรู้สึกปุ๊บเพ้นปับนะ๊บเป็นอย่างนี้เวียนเวียนเวียนไป่นานี้นแท้จริงแล้วสภาวะอันใดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ให้เกิดได้ทั้งวันฉะนั้นเรามาทําสติในทั้งวันวิธีทําให้เกิดสติไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ให้ขาดสติถ้าบังคับได้สติเป็นอัตตาจิตเป็นอัตตามันบังคับไม่ได้จริงหรอกมัได้แต่เพ่งเพ่งคือชื้นไว้อย่างนั้นรู้สึกว่าควบคุมได้ สติเป็น อ, อนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตามรู้มันเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจจะทําอะไรมีผิดคิดร่ามไหมใช่คิดตามแต่คำว่าหลงนี่หลงคิดได้ดูน่าเกลียดแต่ว่าเราอยู่ในโลกเราต้องคิดนะตั้งไปคิดไปเราต้องทําอย่างนี้ไม่งั้นไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเวลาเราลงมือปฏิบัติจิตไปฟังก็รู้จิตอิคิดก็รู้ ร, vraag, รู้ทันจิตลงระวังก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้เนี้ยเนี้ยใส่นิดหนึ่งรับทราบไหมดีนะอ่ะดูแต่เจอตาไปเนี่ยมันขยับเยื่นกรุงกูสนปรุงอากูสนเห็นหมดเลยแล้วเราจะร <c tricked mad seaweed> ู้เลยกูสนเกิดแล้วก็ดับอกุสนเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่ปัญญาตัวจริงอยู่ตรงนี้นะปัญญาไม่ใช่อาการทางร่างกายนะพวกเราหลายคนเข้าใจผิดอย่างเดินเดินแล้ววูบวูบวาบวาบนั่นอาการของกีตีนะ อาการจากการเพ่งอาการทำสมถะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่อาการทางร่างกายวิปัสนาญาณเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจญาณเป็นปัญญานะไม่ใช่อาการทางกายไปมีคุณป้าคนหนึ่งนะลงมาจากทางเหนือมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเริ่มภาวนาแต่ที่คุณทำํทำทํำจนกระทั่งได้ญาณเป็นร้อยๆแล้วนะ เข้าสมาธิจริงหลายๆวันที่อยู่มาจะสังเกตไห้กิเลส็กไม่เห็นมันหมดไปเลยเข้าไปถามอาจารย์อาจารย์เป็นสมพัน์อาจารย์ชันทำไมกิเลสไม่หมดชันเป็นพระอรหันต์ทำไมกิเลสมันหมดเสงสัยว่าจะไม่ใช่เรามั้งอาจารย์โมโหนะพระอรหันต์เลยโมโหพระอรหันต์เขาลนะไล่ออกมาจากวัดแกก็ <c oughs> งลงมาทางกําแพงเพชรที่ขาดม แยหาไม่สีท่านชสีไหนแล้วก็บอกคุณแม่ที่ฉันสงสัยว่าที่ฉันถูกหลอกมาสี่สิบปีคุณแม่แล้วบอกค่าถูกหลอกหกสิบปีแล้วที่จริงครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านหวังดีนะที่ท่านสอนเลี้ยวโซล ร, รถยานว้แบบนั้นวัตถุประสงค์ตั้งเดิมท่านสอนเพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติเคยมีคนค่วงท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่เล บอกว่ามันเป็นสมถะ น, นะครับท่านบอกท่านทราบไปสอนอย่างนี้เพื่อให้เกิดกําลังใจที่พวกเรารุ่นหลังโมงต์ีเราไม่ท ร, ราบจะไปคิดว่าเป็นยานจริงๆจะไปไปติดสมถะกันถ้าเรารู้ว่าเราทําสมถะอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยสมถะก็เป็นของดีเป็นที่พักของใจฟังไปเรื่อยๆนะฟังเล่นๆอย่าจริงจังธรรมะต้องฟังเพลินๆฟังแล้วสังเกตสภาวะไป ปฏิบัติทำแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมีความทุกข์เราปฏิบัติเพื่อคน้นทุกข์นะไม่ใช่ปฏิบัติให้ทุกข์มากกว่าเกา่าแท้จริงแล้วเมื่อไรจิตเกิดขึ้นจิตมีความสุขทันทีเพาความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นจยาไางนะความเครียดแม้แต่นิดเดียวนะก็คือโทสะมรุรจิตถ้าจิตเกิดความเครียดสักนิดเดียวนะี่อกุศลแน่นอน งั้นถ้าปฏิบัติแล้วใจแข็งใจตึงขึ้นมาใจหมักขึ้นมาใจเสียขึ้นมาอกุศลเกิดขึ้นแทนกุศลแล้วแต่ถ้ากุศลตัวจริงเกิดแล้วใจจะโปร่งโล่งเบาเลยนะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนปราดเปรียวค่องแค่ว่องไวรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ซื่อๆได้ดูชูกตารู้ซื่อๆของเรารู้แล้วชอบเข้าไปแทรกแซงรู้ไม่ซื่อรู้แล้วฉลาดไปท่านอาจารย์บอกว่า ใจเราแ้วก็ูตัวแล้วก็เพ่ที่ดีที่หนาือเพ่งเนี่ยนะปกติเราชอบเพ่งนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะคือนักเพ่งการเพ่งกับการรู้เนี่ยไม่เหมือนกันอายุกิจอย่างยกลองเอาหัวไม่มือเพ่งตั้งไวนะ้แล้วลองเพ่งใส่หัวไม่มือนะให้จิตเกาะเข้าไปที่หัวไม่มือหรือดูท้องก็ได้อยู่ท้องฟองยุบ ก, ก็ได้อะไรก็ได้อที่อย่าง เราดูท้องฟองยุคนิดลองดูไปหรือดูหัวแม่หมื่นก็ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเพ่งนะจำไว้นะจิตแบบนี้ยเรียกว่าเพ่งคล้ายๆมันถล่มลงไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เหมืนเดียวตัวนี้ทําให้เกิดสมถะมันเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นการไปรู้ตัวอารมณ์ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ อย่างเวลาคนส่วนมากกาหนดท้องของยุกเนี่ยเขาจะไปเพ่งใส่ท้องเหมือนที่โยมเพ่งผมไม่มือเมื่อกี้เวลาเดินจุกลมยุกข้าวย่างเท้าจะไปเพ่งที่เท้าบางคนขยับมือจะไปหยิบของเนี่ยจะเพ่งไว้ที่มือนี่คือการเ้่งทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถตินะแล้วก็เกิดอาการของสมถติเช่นเกิดปีกขึ้นมันตัวลอยตัวโครงตัวเบาผนลุกน้ําตาไหลรู้สึกวุบวาบวัเหมือนฟ้าแลบเลย นี่เป็นอาการของปีตีทั้งหมดเลยเกิดจากการเพ่งการรู้กับการเพ่งไม่เหมือนกันโยมลองเพ่งใหม่เพ่งไงตะกี้มั้ยโยมดูออกไหมในระหว่างที่เราตั้งใจเพ่งน่จิตเรายังสายไปมาดูออกไหมจิตมันสายรู้ว่ามันส่ายนี่คือการรู้เราไม่ได้จงใจไปเพ่งตัวจิตใช่ไหมแต่ว่าจิตมันสายเราจะไปเพ่งหัวไม่มือแค่แจิตมันสายเรารู้ว่ามันสาย การรู้กับการเพ่งจะไม่เหมือนกันการเพ่งเนี่ยทุกอย่างจะหยุดนิ่งการรู้เนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูโยมเราเพ่งัหมเพ่งตัวไม่มือเนี่ยอย่างนี้เข้าไปเพ่งแล้วโยมรู้สึกไ้ยว่าเพ่งอยู่โยมโยมเพ่งไปอย่างเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเพ่งอยู่มันจะเปลี่ยนไปอีกสภาวะมันจะเกิดสภาวะที่รู้ว่าเพ่งอยู่ไม่ใช่การเพ่งละ แต่การเพ่งนี่เป็นสภาวะที่ปลกรู้ขึ้นมาอีกละค่อยๆดูสภาวะนะน่าจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดเกิดดับสภาวะทั้งหมดเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปเพ่งนิ่งอยู่นะจะเกิดอาการของสมถะจะเกิดผีตีคนลุกขนชันรู้สึกเหมือนตัวอะไรมาใส่สู้ๆซาซ า, านี่อาการของสมถะอย่างตอนนี้โยมฟังอาตมาพูดต่างเราคิดทราบไหมคิดอยู่ขณะที่คิดโยมรู้สึกไหมรู้เรื่องที่คิด ประชาชนคุณคิดสามขอบคิดแล้วที่าใจมันการป่ากันยั่ดีแล้วเก็บเอาไ้เพื่อทาูดที่ดีไม่ต้องเก็บเลยไม่จําเป็นต้องฟังเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่อาจามาพูดอาจารมาไม่ได้พูดให้ใครเข้าใจธรรมะหรอกธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องรู้ด้วยตัวเองสิ่งที่อาจารย์มาพูดพูดเพื่อพาพวกเราหัดสังเกตสภาวะอย่างการที่โยมสังเกตว่า เราจะรู้ตัวเนี่ยจิตมันสายฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ทันจิตใจของตัวเองอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเรียนเพื่อให้เห็นของจริงของเราเองไม่ใช่เรียนเพื่อฟังอาตมาให้รู้เรื่องสิ่งที่อาตมาพูดมันก็ธรรมะเฉพาะตัวของอาตมาขณะพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือให้รู้กายให้รู้ใจนะเสร็จแล้วเราต้องมาหัดรู้กายรู้ใจของเราเองเราฟังเพื่อให้รู้วิธีรู้เท่านั้นแหละ อย่างตอนเนี้โยมรู้สึกไหมลืมกายลืมใจล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารู้กายรู้ใจไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ลืมนะแต่ฝึกให้เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็หลงไปทางตาหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปฟังหลงทางใจหลงไปคิดเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาพอรู้ทันว่าหลงนะก็จะรู้สึกรู้สึกได้แวบเดียวก็จะหลงใหม่หลงใหม่แล้วก็รู้ว่าหลงก็รู้สึกขึ้นมาอีกในที่สุดจะเห็นเลยรู้หรือหลงเกิดแล้วดับเหมือนกันนะ ไม่ใช่เอาวันใดอันหนึ่งโยมที่ว่าทากับข้าวทุกวันอ่ะใจลอยที่อีกแล้วนะอะไรนะอรเป็นยังไงบ้างอยากไปที่สุนทรีพัฒน์พิีเรองตานไก็มีอะไรนะถ้คราในภาที่เรน่ร คือคือกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมาะกับคนแต่ละคนกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เราต้องทําทุกอย่างถ้าทําถูกต้องสติจะเกิดเกิดเหมือนกันเลยไม่ว่าทําอะไรนะสติอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้นสัามมาสมาธิจิตใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวก่อยอันเดียวกันไม่ต้องทําทุกอย่างนะทํามันไหนได้อาอนนะที่กรรมฐานท่านสอนได้เยอะเพราะว่าคนเรามีจริตนิสัยต่างกันมาก อนาปนสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทํายากมากในอานาปนสติเนี่ยตัวมันเนี่ยแยกได้หลายทางเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ในส่วนใหญ่ที่ทําเนี่ยจะกลายเป็นสมถะสังเกตไหมท่านจะไปจบลงที่การระงับกายสังขารการระงับลมหายใจลงไปเพราะฉะนั้นในอานาปนสติในสติปัฏฐานเนื้อหาส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทําสมาถะเท่านั้นเอง แต่ถ้าโยมอยากจะทําสมาธิง่ายๆนะโยมลองอย่างนี้ดูหายใจออกก่อนนะอย่าเริ่มจากหายใจเข้าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวเริ่มจากหายใจออกก่อนแล้วง่ายกว่าถ้าเริ่มจากหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งขึ้นมาเลยถ้าเริ่มหายใจออกก่อนนะใจจะผ่อนคลายกว่าเสร็จแล้วเรานั่งดูร่างกายนี้หายใจไปการดูกายหายใจ หรือทํากรรมฐานอื่นก็เหมือนกันนะมันแยกได้สี่ทางอย่างเรานั่งหายใจเปนะ็นไหมหายใจแล้วเราเคลิ้มลืมเนื้อลื ม, ลมตัวเคยเป็นไหมอันนี้หายใจแล้วลืมตัวเองไปเคลิ้มๆไปอันนี้ขาดสติใช้ไม่ได้หรืออย่างเราดูท้องฟองยุบแล้วเคลิ้มลืมตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้คลุกคล่านนี้ไปคิดบ้างอะไรบ้างอย่างที่สองเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราเข้าไปแนบที่ลมหายใจมันมีเคล็ดลับนะถ้าจะทําสมถะต้องทำให้สบาย ถ้าไม่สบายจะไม่เกิดสมถาถะไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทาสมถะด้วยการหายใจนะาหายใจออกอย่างผ่อนคลายหายใจให้ผ่อนคลายนะแล้วก็รู้ลมหายใจเล่นๆรู้อย่างสบายนะจิตถึงจะสงบเพราะความตกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิตาพิธำสอนอย่างนี้นะความตกจะทําทให้เกิดสมาธิเฉะนั้นถ้าเราหายใจอย่างมีความสุกจิตจะมีสมาธิ เราดูท้องพองยุบอย่างมีความสุขจิตจะเกิดสมาธิแล้วขยับมืออย่างสายลงขัดเทียนขยับอย่างมีความสุขจิตจะมีสมาธิขึ้นมาได้แต่ว่าจิตจะเคล้าอยู่ที่อารมณ์นะเหมือนที่เข้าไปเกาะหัวไม่มือจิตจะไปเกาะอยู่แต่เกาะอย่างมีความสุขจิตจะสงบขึ้นมานี่อันที่สามอันแรกในหายใจแล้วลืมตัวเองอันที่สองหายใจแล้วจิตเข้าไปเกาะลมหายใจอย่างสบายๆแล้วก็สงบนี่สมถะ อันแรกลืมไปเลยใช้ไม่ได้ไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปัสนาแล้วอย่างที่สามหายใจเราเห็นว่าร่างกายนี้กำลังหายใจอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจนะใจเป็นคนดูหรือร่างกายคองยุบนะใจเป็นคนดูเห็นมือเคลื่อนไหวร่างกายกาลังเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจไม่ได้เข้าไปเพ่งใส่ใจเป็นแค่คนดูถ้าอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นเลยรูปนี้กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะ ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ส่วนมากขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะเป็นติดอยู่ขั้นที่สองเกือบหมดถ้าเราเห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่เป็นการทํามิปัสสนาที่รู้กายอย่างที่สี่หายใจไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่เป็นการหายใจแล้วก็คอยดูจิตจะทํามิปัสสนาด้วยการดูจิตได้เแต่เอาลมหายใจเป็นพื้นฐาน ดูท้องฟังยุบก็สี่แบบได้ดูแล้วลืมตัวใช้ไม่ได้ดูแล้วเพ่ง ท, งท้องที่ส่วนใหญ่ทํากันนะแค่เป็นสมถธิถ้าเห็นร่างกายมันก็เพื่อมเข้ากับเพื่มออกใจเป็นคนดูเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นแค่วัตถุต้อนท่าที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้ยังใช้ได้นะเป็นวิปัสสนาดูกายเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายไม่ใช่ตัวเราอีกอันหนึ่ง ดูท้องฟังยุกไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้พอรู้ทันสภาวะอย่างนี้ก็ใช้ได้จะได้ดูจิตได้จะเห็นจิตเกิดดับได้คนที่ทํากับข้าวอ่ะใจลอยอีกแล้วเอาภาษาสารสฉบกันบ้างทุกต้องจินมีนมอ่เออขี้เกียจไม่ดี พี่หลวงอบอกกู้สอนจะกู้สเสมอภาคกันนไม่ใช่ให้ทําอ่ะผู้สนนะจิตเราเป็นอ่ะผู้สนไม่ได้เพราะเรามีสติที่เกี่ยนไปจากผู้นนะเมือ่อสึกสีครับใร้อยพอจะดูออกมั้ยดูเพื่อให้เห็นว่าไม่เที่ยงนะดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ดูเพื่อแค่นะี้ดูเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่ดูเพื่อเอาอะไรไม่ได้เอากระทั่งความมีสตินะ มีสติเพื่อจะได้รู้จักขาดสติแล้วไงโมหะเยอะแล้วเป็นไงเก็บที่เกียนนะ้ำคุณประสาน อ, อะไรนะ อ, อาะ อ, อ, อะจิตขนาดนี้เป็นไงคุณปเสสน์จิตขนาดนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ รู้ตีอ่นาั้อา์นหนีแหละนันี่รู้สึกไหมจิตเรากระวนกระบายนิดหน่อยนะให้รู้ทันรู้สึกไหมเรายังบังคับตัวเองอยู่ยังควบคุมตัวเองอยู่นะให้รู้ลงไปนะมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวแท้ความรู้สึกตัวแท้ๆยังไม่ได้บังคับที่จริงตัวเองก็ยังยังไม่ได้บังคับ บรรทับนิดเดียวก็มากเกินไปแล้แต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็ใช้ได้ถ้าเกิดเจ็บเก็ดเจ็บสงคันบ้างีอิที่ะรู้นมาได้่านี้จริงๆก็้ว่าเราเกิดจรีได้นะสติจริงๆเราเกิดขึ้นแล้วแต่เราพัฒรู้ตื่นขึ้นมา เราก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไหลามาแล้วไหลไป <opers. S 1> เห็นทั้งวันนอนจะคือรู้สึกไมขี้ซ้ายขี้ขวาก็รนะู้นนั่นรู้สึกแลนะใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายจริงนอนอยู่ยังรู้เลย <laughter. S 1> เห็นไหมตัวที่กระดุกระดิกอยู่ไม่ใช่เราเห็นทันทีนะว่ากายนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีแต่ยังเห็นตไม่เปตัวเราใช่ถูกต้องดีที่เห็นคนส่วนใหญ่ไม่เห็นนะ ยิ่งพวกพี่เพ่งรูปลูกเดียวนะไม่เคยเห็นจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้หรอกว่าจิตเป็นเราแต่การที่เราเห็นว่าจิตเป็นเรานะั้นดีแล้วถึงวันหนึ่งปัญญาจแจ้งเราจะรู้เลยที่ความเป็นเราเกิดจากความคิดนี้เองจิตก็มีตัวเองที่น่าสงสารเป็นี้ตัวว่าใช่ใช่มันถูกขังอยู่แล้วก็ตัวนี้จะขาดตอนที่ได้พระสุาบัติแต่ตรงได้พระสุาบัตเวลาดูลงมานะ จิตจะไม่ใช่เรามันจะเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวไปเหมือนเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราแต่ว่ายังถูกขังมันจะมีสภาวะหนึ่งกุ่มจิตไว้ตลอดขังไว้จิตไม่เป็นอิสระต้องตัดทั้งที่สี่ยังรู้ตออจากที่ขังทั้งที่หนึ่งสองสามืนี่ยรูช่วขณะแวบเดีย่าเดี๋ยวกลับมาปิดใหม่กุ่มรู้สึกไหมเหมือนอยู่ในขั้นสุน คือนาสีมันทุกข์ะมันทุกข์ล้วนๆเลยรู้สึกไหมทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนไม่ใช่ทุกข์บางสุขบ้างนะเพราะเห็นว่าทุกข์บางสุกบางนะก็ยังหลงอยู่ก็ีโยมจจวจสติตัวนตนะมคุแวก็วันนกัตมันจะทุกรมันจะทุกข์วนๆมันจะทุกข์วนๆไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางเ็าอะไร ก็ความจริงคือขันเป็นทุกข์ขันไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่ไปดูให้มันเป็นสุขนะแต่ทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลมันมีความสุขแบบจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าปัญญาเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพลิดเพลินอยู่กับจิตที่เป็นกุศลปัญญาเราได้มาสอดส่องตรวจตราอยู่ในขันเราเห็นว่าทุกข์ล้วนล้วนถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างจะบล่อยวางไม่ได้ถ้าเห็นว่าทุกข์ล้วนลวนด้วยความเป็นกลางะมันจะปล่อยวาง ต้องกลางนะต้องลางดีแ <Otto> ล้ว <quan> ดูลได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะมีคนทําได้อย่างนี้เยอะนะน้าเห็นไหมพื้นดีเกิดเองเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนไม่ได้เชิญให้เกิดก็เกิดร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่เรากุศลอักกุศลไม่ใช่ตัวเราเห็นหมดเลยหรืออันเดียวที่จิตเป็นเราก็อะไรก็ตักกายะทิฏฐิยังไม่ขาด บางคนไม่ยอมดูสักยัติสิทธิ์นะไปดูเป็นลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีสักยัติสิทธิอนั้นมีแต่ไม่เห็นเรียกหลงแล้วนะเบอร์เจ็ดหลงแล้วเบลอไปเฉยๆเลยนะะเบอร์สิบสองตรงกันบ้า ง, องเอ อ, เ อ, อใจใจขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ยังยังไม่เต็มที่นะ ไปไปดูไปนั่นเลยเออนั่นแหละไอ้ตรงที่ผิดนั่นแหละแล้วมันยังติดบังคับเ้ารู้ทันมันจุดหนึ่งไม่บังคับนะเราฝึกเจอแค่ผ่านไปผิดศรัทธไม่รู้สึกเพื่อบังคับ อย่งนี้สมว่ามันสุ่มนานมันควรจะหายอยากให้หายเอาแล้วเราก็ไปเพ่งเหมือนเรารู้ว่าเรากําลังทําสมถะอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าทํำวิปัสสนาอยู่นี่มีปัญหานะคือแยกไม่ออกระหว่างสมถะไปเพ่งกําหนดวิปัสสนามันรู้เราแยกไม่ออกตัวนี้เนะื้อสับสัวเนื้อยุนะ่งส่วนใหญ่ทําสมถะมันนึกว่าทำวิปัสสนาคนขึ้นวิปัสสนาจริงจริงน้อยที่สุดเลยนะ น้อยมากเนละยเลทั้งหมดของนักปฏิบัติทำได้แค่สมถะก็อไรก็มีโลภะนำหน้าอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็ น, อ ย, ปนอยากได้อยากดีอยากสุขอยากได้มากผลนิพพา น, นเต็มไปด้วยอยาก็ามีโลภะเกิดขึ้นก็เกิดการทำงานทางใจแม่มีตัณหาคีอความอยากเกิดกา ร, ราาทำงานทางใจคือการสร้างภพการทำงานทางใจคือภพนะไม่ว่ากรรมาภพ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกลายเป็นปฏิบัติไปทุกข์ไปนะแทนที่จะรู้ทุกข์นะก็เป็นปฏิบัติสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติรู้ทุกข์นี่อย่างเบอดเจ็บชักจะรู้ทุกข์แล้วทุกข์ล้วนล้วนรู้สึกไหมมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนแต่ปัญญามันจะก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ถ้าก้าวมาสู่จุดนี้นะจุดหนึ่งมันจะปล่อยวาง ถ้ามันเห็นกายนี้ทุกรุ่นล้วนก็ปล่อยวางกายหมดความเพลิดเกลินยินดีในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นท่านาคามีนะถึงจุดที่มันปล่อยวางความยึดถือจิตได้ไม่มีอะไรเลยนิดเบรอร์หกสิบสามมามาขัดใตัวนี้เหรอมาจากพิงพโปร์โตะพิมจันเหรอจำกิจเทศใกล้เคียงกัน คิดว่าจเรียนรู้รูุดอ่นี่อีกไเนปนแล้วไดตัวเร่วามนันกคือปเาานล้วจไปที่ที่้อาเรที่รู้ที่ผ่านไปแล้วชั้นหนึ่งถูกต้องแล้วการดูจิตเนี่ยดูตามหลัง เมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้โลภตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้ลงตอนนี้รู้สึกไม่ใช่กิเลสเกิดไปสติเกิดไปพร้อมๆกันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่สติตัวจริงเพระนั้นสติอย่างโลกโลกเดินไม่ใช่ตกกระไดถ้าสติตัวจริงเกิดขึ้นจะเป็ น, นยัยงจะเดินลงบันไดเนะี่ยมันรู้สึกกลัวจะรั้วกลัวนะมันกลัวจะขาดจากบ้านไป อันนี้ลงไปเนี่ยอันนี้ใช้สติอย่างโลกโลกเละเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าตกควรระมัดระวังไม่ใช่เดินด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวนะตัวล้านกันเดินเพราะตกควรระวังไม่ใช่เดินเพราะกลัวจะตกแต่ว่ากลัวตกบันไดมันเห็นความกลัวแวบความกลัวจะตับเพองอยอันนี้พอไม่กลัวก็วม ไ, มวมไม่ใช่กระโดดลงมานะเพราะมันมีสติมีปัญญามันรู้ว่าควรจะค่อยๆลงมา ตอนนี้ยังบังคับตัวเองเกินความจริงอยู่นิดหนึ่งคูอออกไหมเออเกลงนะไม่รู้ไปเมื่อสิบสี่ไปอีกรอบเมื่อสิบสี่อ้าวัดไปดใจไนี่มาจากประเทศไหนเื่อที่ะดันนี้ี่มาแล้การการที่เไมรนีนกี จับตัวเองไม่ถูกหรอกไม่มีตัวเอง่าให้จับฟังไปก่อนนะฟังไปแล้วอาซีดีไปฟังนะแจกให้ฟังฟรีๆฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปมาฟังหลวงพ่อก็แจ้งพูดให้ตรุปนะเอฟังแล้วออขำนะเราก็รู้หันใจที่ขำขึ้นมาบางตอนเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆฟังแล้วใจเขาจะซึมๆรู้ว่าซึมฟังแล้วก็คอยดูใจกัน หัดดูใจนะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตรงกันบ้างอืมอตรงกันแล้วธรมมรมะมันเหนือคําพูดมีสติหรือเปล่าตอน น, น, นนี้มีบ้างมีบ้างับขนาดนี่หลังขนาดจิตนี้หลังรู้สึกตัวเต็มที่ยังมาจับจุกผ่านเห็นไหมหลวงพ่อไม่โหดเลยนะ ไม่รู้ตัวรู้ว่าไม่รู้ตัวก็สอบได้แล้วกําลังสงสัยรู้ว่าสงสัยก็สอบได้นะสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยแหมคิดแล้วปิวว้งที่มันสอบตกเลยเราไม่รู้สภาวะแบบนี้ล่ะทั้งสุดท้ายไหมทังสุดท้ายว่ะไม่แต่ไม่แล้วก็สงสัยเลยออสงสัยเลยสงสัยแล้วทํายังไงดี จริงๆหลวงอไม่ค่อยอยากให้ถามเพราะอะไรธรรมะที่เรามาขอจากคนอื่นนะมันไม่ใช่ของจริงธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราแสดงตัวขึ้นมานี่มันถึงจะของจริงเพราะฉะนั้นถ้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังสงสัยใช้ได้แล้วจะเห็นเลยความสงสัยนี่นะเราไม่ได้เชิญนะมันมาเองอยู่ๆมันก็แทรกเข้ามาในใจเราดูไปเรื่อยๆอ้าวมันก็ไปอีกแล้ว ที่หดตัวของจริงคือจะได้ธรรมะของจริงให้ถามเพราว่าไม่อยากถามแล้ว่สงสัยว่าจุารเยี่ยมหรือว่าข้อหาของดูเฉยอ่าตามามาิงดที่่านี้ไม่ทั้งวันต้องนั่งดวิ่งไปิทได้ทั้งวัน่วิเศษเลยแต่ว่าต้องมีข้ยอยก เ, เ, เว้นเราอยู่กับโลก แตไม่ใช่นักบวชอยู่กับโลกต้องทํามาหากินถ้าเราขี่สําร้อปั่นสําร้อปลูกพับปลูกหญ้าอะไรเงี้ยดูได้ทั้งวันแต่ถ้าเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรขณะที่เราคิดเราต้องรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมมีกฎของธรรมะเรือว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเมื่อจิตของเรานี้ไปรู้เรื่องที่เราคิดไปแล้ว จิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่เราทํางานที่ต้องคิดตั้งใจทํางานไปจดจ่อกับงานมีสติในการทํางานมีสมาธิในการทํางานไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สมาส ม, สมาธิเป็นสติเป็นสมาธิอย่างลกโล ก, โลกแต่พอทํางานไปสักพักหนึ่งว่าอยากจะทํางานให้เสร็จ ใ, ใจมันระวนกระวายกลัวไม่เสร็จสติจ ะ, ะระลึกได้กระวนกระวายแล้วตะวนกระวายไม่ใช่งานเป็นกิเลส สติจะ ร, รับรู้เราตั้งใจจะรีบทํางานให้เสร็จโทรศัพท์ตังบ่อยๆจะงุนหยิบรู้ว่างุนหยิดนี่สติจะทํางานตนันเวลาที่เหลือตั้งใจทํางานไปหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อพเกษมเอ็มมะโกที่ลําปางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าขีดแจกแต่มานแล้วเปิดปีติดปีแล้วก็เล่าเรื่องที่ในหลวงเนี่ยไปเจอกับหลวงพ่อพเกษม ในหลวงก็ไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังบอกว่าตัวท่านนะท่านบอกเียกเกินว่าผมนะเวลาพูดกับฟ้าท่านพูดนะครับว่าผมดูปฏิบัตินะผมงานเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งนึก ง, ง, งานมากเหอะแต่ว่าผมแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆมีเวลานาะทีสองนาะทีนะผมดูโดยอย่างนี้ท่านบอกว่าดีนะหลวงพ่อเกษมบอกว่าดีแล้วก็ต้องใช้อย่างนี้แหละ เวลาทํางานก็ตั้งใจทําไปมีเวลาเล็กๆน้อยๆดูไปมีกิเลสแทรกเข้ามาดูัปไม่ทิ้งนะของเราส่วนมากพอทํางานเหนื่อยๆพอหมดเวลาทํางานแล้วขอไปมีแรมซะหน่อยขอนั่งเล่นนอนเล่นลืมลืมเนื้อลืมลมตัวไปออย่างนี้ไม่ดีตั้งใจถึงถึๆนี่ให้เวลาช่วงเล็กช่วงน้อยนาทีสองนาทีรวมกับเราเยอะนะวันหนึงวันหนึ่งเคยมีงานวิจัยอันหนึ่ง เขาบอกว่าพวกมิสิเดตแมนท้งหลายรวมมิสซิเนตมูแมนด้วยนะที่บอกว่าทำงานหนักวันหนึ่งวันหนึ่งทำงานจริงๆประมาณสี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือเอาไว้ใจลอยอย่างเป็นต้นลักนาะที่นั่งรถไปทำงานถ้าต้องตรวจตรวจงานตรวจอะไรก็แล้วไปพอมีเวลาว่างชอบใจลอยนั่งชมนกชมไม้ไปเสียวเวลาเปล่าๆปล่าเดินเข้าไปในห้องทางานไขขึ้แจห้องเดินมา ตรงนี้ยังไม่ได้ทํางานเลยตรงนี้ปฏิบัติได้หมดเลยเปิดโต๊ะเปิดคอมพิวเตอร์บู๊เครื่องตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทํางาน่านไปจิบกาแฟคว้าหนังสือพิมพ์นี่ยังไม่ได้ทํางานรวมแล้วเวลาทํางานที่ต้องคิดจริงๆนะ4ชั่วโมงเองงั้นอย่างเราบอกว่าเรางานหนักไม่มีเวลาปฏิบนะัติเถ้าเราทิ้งเวลาไปซะเอาเบอร์คือ4หนีไปอีกแล้วเห็นดีนะ แต่เห็นแล้วอย่าวิ่งตามมันไปอย่าไหลาตามแค่รู้ก็รู้เออแกหนีเป็นเรื่องเรื่องของแกดีครับต้องปฏินื่งจาเนสมอคือได้ินว่าสัญญา่เสัญญาเราะสัญญานีกสัญญาี่มีสองส่วนนะความจำได้กับการหมายรู้เ <c oughs> ช่นเราจำสีจำเสียงจำกลิ่นจำรสได้ไม่ว่าเกิดของจำ อีกอันหนึ่งหมายรู้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักอะแต่ว่าพอเราไปเห็นสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดการเทียบเทียงกับข้อมูลเดิมแล้วก็หมายรู้ขึ้นมาว่าอันนี้น่าจแตนอันนี้น่าแตนีมีสองตัวนะความจําได้หมายรู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเตยเก็นไหมท่านยังไม่สอนสัญญานาุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนสัญญาไปยุ่งมากเดี๋ยวสัญญาวิปลา เคมีคนหนึ่งพยายามดับสัญญาตัดแปลงสัญญาก็าดัดแปลงไม่ใช่ดับดัดดับสัญญาจรงิงๆแล้วเขามีโรคสมบั ต, ติถ้ามีสัญญาหรือก็เหมือนไม่มีเลยเนี่ยตัวนเนวะสัญญาอีกอันหนึ่งที่ดับสัญญาได้ไป็นปลบลุกปักไม่มีสัญญาเพาไม่มีจิตมีคนหนึ่งเขาพยายามดัดแปลงสัญญาเช่นเห็นโต๊ะเรียกเก้ายี้เห็นก็าอี้เรียกเตียงไปๆมาๆต้องไปหาหมอนะ พูดกับใครไม่รู้เรื่องแล้วข้าไปรือ้อปืนสัญญาใหม่สัญญาอย่าเพิงไปยุ่งกับมนสัญญาเนี่ยมันหลอกลวงเราหลอกลวงบางทีอย่างความจําได้ขุดขึ้นมาอยู่ๆดีๆจิตมันตรึกขึ้นมาเพราะนั้นจิตมันตรึกเช่นเห็นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาจิตมันตรึกขึ้นมานึกขึ้นมาสัญญาไปแส้ปับนึกโยงอดีตมามีคนนี้เคยอย่างโน้นเคยอย่างนี้ โยกไปได้เดี๋ยวคิดไปไกลไกลหงลงไปนานสัญญาอีกงานหนึ่งเป็นตัวหลอกลวงเราทําหน้าที่หลอกลวงเราเช่นนิจจะสัญญาของไม่เที่ยงเป็นหมายว่าเที่ยงของเป็นฟุบเป็นหมายว่าสุขสุขทาสัญญาพวกนี้เรียกสัญญาพิปราราสอัตตสัญญาเป็นหมายว่ามีตัวมีตนดริงรู้สึกไหมเราเรามีการหมายรู้ว่าในนี้มีเราอยู่คนนึงเร่อมีอัตตสัญญา สัญญาเล่นยาอ ย, าอยาเล่น่ข้อคืองทีมนเาที่ึงว่่างกเ่างกันี้เปนาชายใช้เป็เครื่องมือสัญญาเป็นเครื่องมือของผู้สนก็ได้ขอับกู้สนก็ได้เป็นธรรมะมกลางๆสัญญาถูกก็ได้สัญญาผิดก็ได้คนทั้งหมดเลย ในโลกเป็พวกสัญญาวิปลาสแต่ทศตระกบาลีไม่เรียกว่าสัญญาวิปลาสเรียกสัญญาวิปันวากหมายถึงเราจะมีการหมายรู้ผิดๆตลอดหมายรู้ถึงฤทธิ์แตสัญญาสุขัสัญญาอัตสัญญาสุขัสสัญญาหมายรู้ในความงามดังนันการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยแท้จริงแต่ละปัฏฐานแต่ละปัฏฐานเราเองคู่ปรับกับสัญญาแต่ละตัว อยาการรู้กายเนี่ยมันทำลายความเห็นผิดว่าสวยว่างามเพราะกายจริงๆไม่ได้สวยได้งามการรู้เวทนาเวทนาสติปัฏฐานเนียทำลายสุขสัญญามีแต่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขการดูจิตเนี่ยจะทำลายนิจสัญญา จ, จิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับรวดเร็วเลยการเห็นธรรมะเนี่ยจะทำลายอัตสัญญาจะเห็นอนัตตาการดูธรรมานุปัสสนา แต่แท้จริงก็คือทำตสติปัฏฐานนั้นแดนหนึ่งถูกต้องนะจิตมันจะกระโดดขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาเองในที่สุดที่เห็นทุกอย่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนได้เหมือนๆกันในธรรมะมีเรื่องศึกษาเยอะจะเรียนให้กว้างขวางขนาดไหนก็ได้แต่เรียนให้น้อยไว้อะดีเรียนให้น้อยก็คือเรียนขนาดจิตตา น, นานี i แหละอย่าเรียนเยอะนักเลยรู้ความจริงล ง, งทีลักษณะทีลักษณะ เพราะว่ากิเลส ก, ก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละมรรคผลมิตพานก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละขนาดต่อนหน้าเมื่อสิบสี่ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเอาเอาให้ถายอีนองคู่คู่สัญญาอีน้องเวลาเราจะได้สัญญาเรามารถทำเพร่เราคิดขึนาอีน่คการใช้ควาิใช่คือม่อวันทมาทุกเรื่อแล้วมีสติปั มันจะปรุงต่อปรุงด้การนำมันไับเปลยไปแล้วะอาผี่เกิดออกมาอกเ็นผลมากใช่้าสัญญาเกิดก็เกิดสังขารความปรุงืางทีปรุงอุปนก็ได้ทีปรุงอักุผนก็ได้สัญญาไม่ใช่ตัวสังขารอีกตัวหนึ่งที่ทาให้เกิดการปรุงก็คือเวทนาสัญญาคเวทนาสองตัวนี้ถึงเรียกว่าจิตสังขารเป็นตัวกลุงแต่งจิต มงแต่งจิตสังขารมีเวทนามีความสุขขึ้นมาก็ปลุงไปตามนะั้นมีความทุกข์ก็ปลุงไปตามนะั้นมีสัญญาปุดขึ้นมาส่วนมากเป็นอดีตสัญญาอนะไรขึ้นก็ปรุงไปตามนะั้นถูกต้องคนระับไม่เฉพาะูกถามได้ดีมากเลย ไม่เฉพาะอักขูศล์นะกระทั่งปรุงแต่งฝ่ายกุศลปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมนะมะั่นแหละตอบสนองอัตราตัวตนเราเพอเบื้องลึกเลยเรามีอาวิชาเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่ามีอยู่แล้วก็ยึดว่ามีอยู่ด้วยไม่ใช่แค่คิดว่ามีนะยึดเอาเลยว่ามีพอพอมันมีตัวเราขึ้นมาก็าเกิดความปรุงแต่งอย่างที่เล่าตะเกียบปรุงอักขูศน์ก็ได้ปรุงขูศนก็ได้ปรุงจิน ด, งนดับรูปดับนามอะไรเข้าไปก็ได้ ล้วนแต่ตอบสนองตัวเราเทั้นั้นเอยฉะนั้นเห็นตัวนี้ได้ก็ดีแล้วถูกต้องดีเห็นไหมเราอย่าว่าแต่ตรุงอุปสนเลยนะที่อุตสาปฏิบัตททิธรรมแทบตายดูให้ดีไอ้ตัวเนี้ยอยู่เบื้องหลั ง, ใ, งใช่ปัญญาที่สำคัญมันเยอะฟุงไปนะก็่งแต่ที่ัั้ใช่มันมันมันมันมีหลายระดับนะแค่เราจงใจกนะําหนดเนอะ กุญญาพี่สังขารล่นนะทําไมเราต้องกําหนดรูปกําหนดนามเพาะเราอยากดีใช่ไหมเราอยากรู้เราอยากดีมีกำว่าเราอยู่ลึกๆอ่ะให้เราที่จะซ่อนอยู่เฉะนั้นปรับใดที่เอาวิชายังอยู่เรายังอยู่เนี่ยความปรุงแต่งก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจจะรู้ความจริงนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีเราที่ไหนเลยเพราะความเป็นเราไม่มีความปรุงแต่งจะไม่มีความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้น แท้จริงตันหามันเป็นตัวสมุทรไทยนะตัดทุกเนี่ยมันยิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้วัฏสงสารเนี่ยหมุนไปไม่รู้จักจบสิน้นเพราะว่ามีสมุทรไทยมีตันหานะจึงเกิดทุกนะพอเราอยากขึ้นมาใจก็ดิน้นใจก็ทุกเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้นักปฏิบัติเบื้องต้นจะเห็นแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยคนจะไม่เห็นนะยากที่จะเห็นเราไม่รู้ทุกเกิดสมุทรไทยอันนี้ดูยากไหม เพราะว่ารู้ทุกข์เมื่อไหร่เป็นธาตุอาหารเลยนะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่จะได้ธาตุอาหารจริงๆนี่พระนั่งสังสารวัตจะยิงกันระหว่างทุกข์กับสมุทยัยก็มีสมุทยัทยจึงเกิดทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่าเราไม่มีนะมันถึงเกิดอยากจะให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกขพราะมีความอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข ah จิตยิ่งดิ่นยิ่งดินยิงทุกขยิ่งทุกข์แลก็ยิ่งดิน วิวัตตสงสารหมุนไปอย่างนี้ตลอดส่วนวิวัตตะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยจะถูกล้าอัตโนมัติถ้าสมูทัยถูกละจนหมดจดแล้วก็นิโรดนิพพานจะแจ้งขึ้นต่อหน้าต่ตาเนละยการรู้ทุกข์จนละสมูทยัยแจ้งนิโรดเรียกว่ามัจ น, นี่คืออริยมัจดงนั้นต้องรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจกัรที่คุณเห็นมีเราอยู่คนนั้นเนะ่ยดีมาก อยู่วันหนึ่งมันตายไปสะใจมากพอมันตายไปนี่นะความปรุงแต่งสามแบบนั้นจะหายอัตโน ม, มัติใจจะเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระจริงๆนะไม่มีนอกไม่มีในนะถ้าเรากำหนดไปเรื่อยกำหนดรูปไปเรื่อยๆนะมันเหมือนไม่มีกิเลสข้างในนี้จะกลวงนะกลวงเพราะว่าไม่สนใจดูเลยหลงกลวงแล้วจะไปกำหนดรูปอยู่ข้างนอก กรากำหนดจนชํานาญนะ้ไม่ต้องกําหนดแล้วกลับไปจะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนนะแต่ว่าโลกนี้เหมือนแยกเป็นสองส่วนมีข้างในกับข้างนอกข้างในนี้ไม่สนใจที่จะดูรู้แต่ข้างนอกแล้วข้างนอกว่างเปล่าไม่มีตัวตนนึกว่าเป็นธาตุหันนะจริงๆยังไม่ใช่หรอกทําแพ้มีหนึ่งเดียวรวดเลยไม่มีนอกไม่มีในนะมีอันเดียวรวดเลยค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังอ้าวว่างเล ก็ปิบัตมาัตไม่ได้เอไยือนทุกข์นอที่เาไหรทุกข์น้อยเนิงไปนิดนิดนี่ยกว่าเหมือนกว่าโรก้งอี่เกิดใมันแบบกลงไปในใจแ้วก็แต่ามันืือานนอไม่แปลกอะไรคืออย่างนี้การที่เราเพ่งรูปมากๆเข้านี่ถ้าจิตมันเข้าถึงอัปปนาะนะมันจะปัดการรับรู้โลกข้างนอกเหลือแต่โลกข้างใน นั่นก็เป็นเรื่องของสมาธิแล้วถ้าละเอียดลงไปละเอียดลงไปสัญญาก็จางสัญญาจางจะสบายเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยรู้เหมือนไม่รู้อะไรเงี้ยสบาย <c oughs> ก็หลงอยู่นั้นนาน <c oughs> ๆถ้าเราหลงแล้วเราตาตรงนั้นนะเราไปเป็นอรูปปลมพอพระสีอานมาตรัพระสิอานนึกถึงเรานะั้นท่านจะอุทานชิดหมายแล้วท่าน <c oughs> จะอุทานด้วยคํา อ, อ, อย่างนี้นะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอุทานกับอาราลาตาบทอุทกตาบท ตอ น, นึกถึงพื้นนี่โอ้โหชิปหายซะแล้วจากคุณอันใหญ่คือเสียท่าล้อีกอันหนึ่งเพ่งรูปไปเรื่อยๆแล้วไม่ชอบนามมันจะไม่คูรวมเข้ามาอย่างนั้นมันจะดับรูปโดยหมดความรู้สึกไปเลยเหลือแต่ร่างกายชื่อๆอยู่ไว้นะอันั้นพลิกไปอีข้างอันนั้นเป็นอสัญยาสัตตาเป็นสัตว์ขันเดียวมีแต่รูปส่วนที่เข้าไปอยู่ข้างในนะก็เป็นสัตว์สี่ขันมีแต่นามไม่มีกายไม่มีรูป ตอนนี้เราเป็นสัตว์ห้าขันก็ดีแล้วไม <c oughs> ่ต้องทำให้ขันเรากระต้องกรแปล้งไปเอาโอน้อยเอาคนสุดท้ายมันหลงเยอะไปได้ไม่บังขับนะแต่ว่าไม่ใช่แกล้งหลงนะ ไม่แก้งให้หลงเป็นหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้รู้ไปเล่นๆไม่จริงจังทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นเดินตรงกลมหมดเลยทุกขณะที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิตลอดเวลายิ่งการปฏิบัติเราจะไม่แยกส่วนชีวิตเราเป็นสองส่วนเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัตินี้อันเดียวแหละขณะนี้ขาดสติหรือขณะนี้มีสติ หลายคนเดียวคิดว่าปฏิบัติเนี่ยต้องทำเฉพาะตอนเข้าวัดเข้าค อ, อาร์สเง้ยเข้าใจผิดเวลาที่เหลื อ, อไว้เผลอสมัครใจเผลอไม่ดีดีแล้วไปดูไปวันนี้พอสมควรนะเชิญโยมกลับบ้านมาได้แนละ้ว